สองท่านพระอาจารย์มุงสู่กรุงเทพเหตุผลของท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสาได้มาอยู่วัดปทุมวนารามได้เล่าไปแล้วว่าเมื่อท่านอุปสมบทแล้วจำพรรษาอยู่วัดเลียบเมืองอุบลเรือดูแลงออกสแสวงวิเวกปรารพความเพียรขึ้นเหนือสู่อำเภอม่วงสามสิบลองตายสู่ปากเซและที่ภูหล่นบ้าง พรรษาที่สามจำที่วัดเรียบเช่นเดิมแต่ปีนั้นท่านภาวนาดีมากพอออกพรรษาชวนพระอาจารย์ลงสู่กรุงเทพจุดประสงค์ต้องการศึกษาต่อเพราะสมัยนั้นพระปฏิบัติที่มีชื่อเสียงคือพระอุบาลีคุณูปมาจารจ์นสิริจันโทเป็นคนอุบลเหมือนกันมาถึงกรุงเทพแล้วน่าจะอยู่วัดบ ร, รมนิวา พราต้องการศึกษากับท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเล่าว่าอยู่ภาคกลางแปดปีในแปดปีท่านก็ไม่ได้บอกว่าจําพรรษาอยู่ที่วัดสาปทุมแต่ท่านเล่าว่าพรรษาที่สิบสองนับแต่บวชมาจำพรรษาที่ทำสาริกาจังหวัดนคร น, นายกจึงคาดว่าในหกพรรษาคงจําติดต่อกัน จะเว้นบ้างก็ตอนที่ท่านไปจำพรรษาที่ประเทศพมา่าแล้วกลับอีสานเมื่อพรรษาสิบสองอยู่อีสานก็หลายปีสุดท้ายอยู่อำเภอผือจังหวัดอุดรธานีคิดเปลิกวิเวกสู่ภาคเหนือบอกหมู่คณะแล้วจึงนำส่งมารดาแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปกรุงเทพหรือเชียงใหม่จะนำส่งมารดาเท่านั้นให้หมู่รออยู่ที่นี่ก่อน ว่าจะกลับมาแต่ไม่ได้กำหนดเกรงว่าหมูจะหาวาโกหกคือท่านประสงค์จะหนีจากหมูท่านว่าอย่างนี้ส่งมารดาแล้วเดินทางเข้ากรุงเทพในพรรษานั้นไม่ได้ไปเชียงใหม่จึงพักจำพรรษาที่วัดสาปทุมนี้ท่านอยู่กรุงเทพคงจะเน้นหนักด้านการศึกษาและคนคว้าตำรับตารา จากการสังเกตของผู้เล่าที่ได้อยู่กับท่านมาหถึงเจปีท่านสวดมนต์สวดต่างๆปาติโมค พ, พุทธประวัติวินัยมุกเล่มหนึ่งสองสาและอื่นๆได้หมดวันลงอุโบสถท่านพระอาจารย์นั่งฟังอยู่พอพระสวดจะตกหลน่นพระผู้ที่ทำหน้าที่ท่านยังไม่ทันบอกท่านก็บอกก่อนเลยได้สวดต่อไปโดยยังไม่ทันตกหลน่น เวลาท่านเทศอบรมสิทธิ์เหมือนกับยกแบบเรียนขึ้นอ่านโดยพุทธประวัติทั้งสามเล่มท่านจะเทศในวันมาคะวันวิสาขาทุกปีชัดถ้อยชัดคำเหมือนจับแบบอ่านเทศแต่ละครั้งอย่างน้อยจะทำเวลาหกชั่วโมงจนถึงถวายพระเพลิงแจกพระบรมสารีริกธาตุสลับกับปฐมสมโพธิกระถาทั้งบาลีและแปลฟังแล้วได้ความรู้แจ่มแจ้ง เข้าใจว่าช่วงท่านมาอยู่กรุงเทพคงเน้นหนักด้านการศึกษาพร้อมกับประกอบความเพียรไปพร้อมๆกัน